เจ็ดบกรรมฐานคือหลักปฏิบัติของโพธิปักขียธรรมกรรมฐานหมายความว่าอย่างนี้ไม่ได้ไปแปลกันให้พิลึกพิลือปฏิบัติธรมาธรกรรมออกนอกรีสศาสนาพุทธนั่นหรอกเมื่อมีกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติตามหลักโพธิปักขียธรรม37ด อันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อโลกุตระธรรม37มเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานสี่เรียนรู้ตั้งแต่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไปเลยซึ่งปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาโดยมีสติปัฏฐานสี่ สามมับประธาน4อธิบาด4ีเป็น3าเศร้าของการปฏิบัติแล้วจะสังสมผลเป็นอินรีย์าไปตามลำดับจนเป็นพระห้าได้บริบูรณ์สมบูรณ์เป็นที่สุดโดยมีพชชงเกเป็นการก้าวกับมัตรองค์8เป็นทางแห่งการก้าวไปสู่นิพพาน ไม่ใช่เอาแต่นั่งหลับตาดังที่เข้าใจผิดกันผู้สามมาทิทีิในความเป็นกายเวทนาจิตธรรมจึงจะปฏิบัติบรรลุนิพพานได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อ60สว่าธรรมะสองนั่นแหละจะรวมลงเป็นหนึ่งในเวทนา ในธรรมะสองนั่นเองทเวธรรมาทวเนะเวทนายะเอกะสโมสารณาพวันติชัดเจนยิ่งเวทนาจึงได้แก่พลังงานที่มีองค์ประกอบของพลังงานแห่งชีวะที่มีพัฒนาการถึงขั้นเมื่อการสัมผัสกัน ของรูปภายนอกกับพลังงานภายในแล้วมีอาการในพลังงานภายในถึงขั้นรู้สึกเป็นรอสอัาธะด้วยอวิชาหรือความหลงจึงยังมีอัาธะอยู่อัศธ า, าะนี้แหละตัวร้ายที่เป็นรสโลกิยะที่คนโง่คนหลง อัสาธะคือรสนิยมอารมณ์ที่พึงใจความรู้สึกที่รัดรึงใจความรู้สึกที่ไปยึดเอาความรู้สึกใหม่ที่เกินความเป็นจริงตามธรรมดาของภาวะ น, นั้นๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่วิปลาสกว่าความรับรู้ในการสัมผัสรู้ตามธรรมดาของจริงนั้น ที่สัตว์โลกผู้มีอวิชามีกันอสาทะจึงเป็นรถที่คนรับรู้สึกที่ใหม่ขึ้นมาจากความเป็นจริงรถนี้จึงคือรถที่ไม่มีจริงในความจริงเป็นรถเทสอะลิกะซึ่งเป็นความรู้สึกเกินกว่าที่ความเป็นจริงของความจริงธรรมดา ตามภาวะธรรมชาตินั้นมันมีจริงแล้วหลงยึดรสนั้นเป็นอุปทานอย่างลงเป็นอภินิเวศความยึดมั่นอย่างปักใจจึงเกิดเป็นตัวตนเซลล์ที่มีความเป็นตนเองเลยเถิดกว่าพีชนิยามอีกอย่างนี้แลที่จิตนิยามสำหรับคนผู้อวิชชา จะมีการมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สร้างกรรมสร้างวิบากให้เป็นนิยายของโลกเต็มโลกเป็นโลกแห่งสงครามอัสาธะกันไม่รู้จบ